ให้แก่จิตใจเพราะความสุขหรือความทุกขของจิตใจนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีมากหรือมีน้อยแต่ขึ้นอยู่กับการมีกิเลสตัณหามากหรือน้อยถ้ามีกิเลสตัณหามากความทุกข์ก็จะมีมากถ้ามีกิเลสตัณหาน้อยความสุขก็จะมีมาก เพราะความสุขหรือความทุกข์ของใจนี้ไม่เหมือนกับความสุขหรือความทุกข์ของร่างกายความสุขความทุกข์ของร่างกายก็ขึ้นอยู่กับการมีปัจจัยสี่มากหรือน้อยถ้ามีน้อยก็มีความขาดแคลนก็มีความทุกข์ยากลาบากถ้ามีมากมีพอเพียง ก็จะมีความสุขส่วนความสุขของใจและความทุกข์ของใจนี้ขึ้นอยู่กับจานวนหรือปริมาณของกิเลสเครื่องเศร้าหมองคำว่ากิเลสท่านแปลว่าเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสนี้ทำให้ใจของเราเศร้าหมองมีความเศร้าโศกเสียใจ มีความทุกข์มีความไม่สบายใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราพยายามชำระกิเลสภายในใจให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไปและให้หมดไปเพราะถ้ากิเลสถูกชำระลงไปมากน้อยเพียงไรความสุขใจความสบายใจก็จะมีมาก น้อยเพียงนั้นอยู่ที่กิเลสว่าจะลดหรือจะเพิ่มถ้าเพิ่มก็จะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นถ้าลดลงก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นการที่จะลดกิเลสได้ก็ต้องมีบุญมีกุศลเป็นเครื่องชำระการที่จะมีกิเลสเพิ่มมากขึ้นก็คือการส่งเสริม กิเลสคือให้มีความโลภมากขึ้นให้มีความโกรธมากขึ้นให้มีความหลงมากขึ้นวิธีที่เราจะทําให้มีติเลสมากขึ้นก็คือเวลาโลภแล้วอยากจะได้อะไรก็ต้องทําตามความโลภเวลาโกรธใครก็ต้องทําตามความโกรธเวลาหลงก็ต้องทําตามความหลง ถ้าเราทำตามความโลภความโกรธความหลงกิเลสก็จะมีมากขึ้นไปความเศร้าหมองของจิตใจก็จะมีมากขึ้นไปถ้าเราอยากจะให้มีความสุขมากขึ้นมีความเศร้าหมองน้อยลงไปเราก็ต้องลดความโลภความโกรธให้น้อยลงไปเช่นวิธีลดก็คือเวลาโลภ ก, ก็อย่าโลภตาง เช่นอยากโลภอยากได้สิ่งที่ไม่จําเป็นเดินไปตามห้างเห็นเสื้อผ้าสวยๆก็อยากได้ขึ้นมาทั้งๆที่มีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้มีล้นตู้อยู่แล้วไม่มีความจําเป็นก็ให้เอาเงินที่จะซื้อเสื้อผ้านี้มาทําบุญแทนถ้าเราเอาเงินที่เราอยากจะซื้อเสื้อผ้าซื้อสิ่งที่ไม่จําเป็น มาทําบุญเราก็จะลดจำนวนกิเลสลงแล้วเราจะเพิ่มความสุขให้มากขึ้นการทาบุญนี้แลเป็นการลดความโลภให้เบาบางลงไปแล้วก็ลดความตระหนี่ความหวงแหนในทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองให้น้อยลงไปการมีความโลภหรือมีความตระหนี่หรือมีความเห็นแก่ตัว จะทําให้ใจเราเศร้าหมองทาให้ใจเราไม่มีความสุขไม่มีความเบิกบานมิมีแต่ความคับแคบใจแต่ถ้าเรามาทําบุญให้ทานเราก็จะคลายใจของเราให้กว้างออกไปจากการเห็นแก่ตัวก็เป็นการมีเมตตากรุณาเห็นความสุขความ ทุกของผู้อื่นว่าเป็นสิ่งที่สาคัญเช่นเดียวกับความสุขความทุกข์ของเราเราอยากจะมีความสุขผู้อื่นก็อยากจะมีความสุขเราไม่อยากมีความทุกข์ผู้อื่นก็ไม่มีความทุกข์ก็จะทำให้เรามีจิตเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เวลาที่เรามีเงินเหลือใช้ แทนที่จะเอาไปซื้อของไม่จำเป็นเราก็เอามาช่วยเหลือผู้อื่นแล้วจะทำให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอมีความภูมิใจ <c oughs> นี่คือการสร้างความสุขให้แก่ใจของเราต้องสร้างด้วยบุญด้วยกุศลบุญเบื้องต้นก็คือการให้ทานคือการเสียสละ ทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองหรือประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นบ้างเพราะทรัพย์หรือประโยชน์สุขที่เรามีเหลือเกินไปนี้อยู่กับเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ทําให้ความสุขของเรามากขึ้นแต่ถ้าเราเอาไปแบ่งบันให้ผู้อื่นแล้ว ก็จะทำให้เรามีความสุขใจเพิ่มมากขึ้นมาเบื้องต้นเราจึงควรที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยการให้ทานบ้างด้วยการรับใช้ผู้อื่นบ้างเช่นรับใช้บิดามารดาผู้มีพระคุณท่านเป็นคนที่มีอายุมากท่านอาจจะไม่สามารถทำอะไรตาม กำลังถองท่านได้ถ้าเราไปคอยรับใช้ท่านไปอาสาช่วยเหลือท <c oughs> ่านก็จะทำให้ท่านได้มีความสุขได้ลดความทุกข์ยากลำบากให้เบาบางลงไปแล้วก็จะทำให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปส่วนการทำบุญด้วยการรักษาศีลนี้ก็จะช่วย ทำให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเพราะถ้าเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นใจของเราจะเย็นจะสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่วิตกกังวลว่าจะมีโทษมาทำเรานั่นเองเพราะเราไม่ได้ทำ ร้ยผู้อื่นเราไม่ได้ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนผู้อื่นเขาก็จะไม่มาทําให้เราเดือดร้อนถ้าไม่มีใครมาทําให้เราเดือดร้อนเราก็ไม่คิดจะไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนอกจากถ้าเรามีความโลภหรือความโกรธขึ้นมาเราถึงจะคิดที่จะไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนแต่ถ้าเรา <c oughs> คอยกำจัดความโลภด้วยการให้ทานอยู่เรื่อยๆด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เรื่อยๆความโลภ ก, ก็จะไม่ค่อยเกิดเมื่อไม่มีความโลภความโกรธก็จะไม่มีเพราะความโกรธนี้มักจะเป็นผลที่เกิดจากความโลภเช่นเวลาเราโลภอยากได้อะไรแล้วมีคนมาขัดขวางเรา หรือมาห้ามเราเราก็จะโกรธเพราะเราไม่ได้ทำตามความโลภไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เพราะมีคนมาขวางเราคนที่ขวางเรานี้ก็จะทำให้เราโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่โลภก็เราก็จะไม่โกรธเพราะจะไม่มีใครมาขวางเราเช่นเราอยากจะทำสิ่งนี้แล้ว เขามาห้ามเราว่าทำไม่ได้เราก็จะโกรธแต่ถ้าเราไม่คิดอยากจะทำอะไรก็จะไม่มีใครมาห้ามเราถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ไปทำอะไรให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็จะไม่มีใครมาห้ามมาทำให้เราโกรธเพราะเราไม่มีความโลภนั่นเองความโลภ ก, ก็เกิดจากการที่เราคอย ทำบุญให้ทานคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองอย่างที่ท่านทั้งหลายมาวัดการเป็นประจำมาชำระความโลภมาชำระความตเนีทําให้เรามีจิตใจเมตตากรุณาคิดถึงความสุขของผู้อื่นคิดถึงความทุกข์ของผู้อื่น อยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขบ้างอยากจะให้ผู้อื่นมีความทุกข์น้อยลงไปบ้างเพราะเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปตามลาดับเพราะนี่คือเหตุที่จะทำให้ใจเรามีความสุขนั่นเองไม่ใช่เกิดจากการโลภ ก, การอยากมี สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะไม่ได้เป็นความสุขแก่ใจแต่กลับเป็นความทุกข์แก่ใจเพราะใจจะต้องคอยแสวงหาสิ่งต่างๆคอยต่อสู้กับสิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้ได้สิ่งต่างๆมานั่นเองดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะ ทำบุญให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เรื่อยๆเท่าที่เราจะสามารถช่วยเหลือได้ถ้าเราไม่มีเงินไม่มีทองเราก็ให้อย่างอื่นได้ถ้าเราเป็นอาจารย์เป็นครูเรามีวิชาความรู้เราก็สอนวิชาที่เรารู้ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่คิดเงินทอง ให้เป็นวิทยาทานอย่างนี้ก็เป็นการให้เหมือนกันไม่มีเงินก็ไม่ต้องให้เงินมีความรู้ก็ให้ความรู้ถ้ามีใจที่กว้างใจที่ไม่ถือโทษเกลีดเคืองก็ให้อภัยผู้อื่นเวลาผู้อื่นทำอะไรผิดพลาดหรือทำให้เราโกรธเราก็ให้อภัยเขา ก็ เ, เมื่อเราให้อภัยเขาแล้วใจของเราจะเย็นจะสบายถ้าเราไม่สามารถให้อภัยได้ใจของเราก็จะร้อนจะโกรธจะคิดจองเวรจองกรรมเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเวรย่อมไม่ระงรับด้วยการจองเวรแต่เวยรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรการไม่จองเวรก็คือการ ให้อภัยนี้เองการให้อภัยนี้จะเกิดประโยชน์สองส่วนด้วยกันส่วนในใจของเราและส่วนที่เกิดกับผู้อื่นเวลาที่เราไม่ไปจองเวงจองกันไปไปทำร้ายผู้อื่นผู้อื่นก็จะไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเราก็จะสบายใจใจของเราก็จะเย็นลงมา นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการให้อภัยได้จากการที่เราดับไฟในใจของเราไฟในใจของเราคืออะไรก็คือความโกรธความแค้นความเครียดแค้นความอาฆาตพยาบาทนี้เองถ้าเราไม่สามารถดับไฟนี้ได้ไฟนี้ก็จะเป็นไฟนรกเผาใจเรา ทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่และเมื่อตายไปก็ยังจะเผาเราต่อไปทำให้ใจของเราเป็นนรกนรกนี้ไม่ใช่เป็นสถานที่เช่นเดียวกับสวรรค์ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นความเป็นความรู้สึกภายในใจของเราถ้าใจเรามีความรู้สึกรุ่มร้อน ใจของเราก็เป็นนรกขึ้นมาถ้าใจของเรามีความรู้สึกเย็นสบายใจของเราก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาพวกเรานี้ขึ้นนรกขึ้นสวรรค์ตกนรกกันอยู่ตลอดเวลาในแต่ละวันเวลาที่ใจเราเย็นใจเราสบายตอนนั้นก็เป็นสวรรค์เวลาที่เราร้อน ใจของเราก็เป็นนรกขึ้นมาความเย็นและความร้อนของใจนี้ก็จะสะสมไว้เป็นเหมือนกับการเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารพอถึงเวลาที่เราจากโลกนี้ไปผลที่เกิดจากการสะสมความร้อนและความเย็นก็จ ะ, สะแสดงออกมาถ้าฝ่ายความเย็นมีกำลังมากกว่า ใจก็จะไปสวรรค์เป็นสวรรค์ขึ้นมาถ้าฝ่ายความร้อนมีความลังมากกว่าใจก็จะเป็นนรกขึ้นมานี่คือเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ไม่ได้เกิดจากใครทั้งสิ้นเกิดจากเราเกิดจากการกระทาของเราดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ากรรเป็นเครื่องจำแนกแยกแยะสัตว์ให้เป็นไปตามบุญตามกรรม บุญก็จะทำให้สัตว์มีเป็นสวรรค์กรรมก็จะทำให้สัตว์เป็นนรกไม่ได้มีพระเจ้าที่มาสร้างนรกหรือสร้างสวรรค์พระพุทธเจ้าเองก็สร้างสวรรค์สร้างนรกให้กับเราไม่ได้พระอริยสงสาร ก, ก็สร้างนรกสร้างสวรรค์ให้กับพวกเราไม่ได้มีแต่สอนให้พวกเรารู้ว่า นรกนั้นเกิดขึ้นจากอะไรสวรรค์เกิดขึ้นจากอะไรเท่านั้นอยู่ที่เราว่าเราจะเชื่อหรือไม่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ปฏิบัติตามเราก็จะไปสร้างนารกมากกว่าสร้างสวรรค์เพราะใจของเรานี้มีความโลภความโกรธความหลงที่จะคอยผลักดัน ให้เราไปสร้างนรกขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าเราเชื่อเราก็จะได้พยายามต่อสู้กับความโลภ ก, กับความโกรธกับความหลงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวตามความโลภหรือเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นตามความโลภตามความอยาก ก็เอาเงินนี้มาทำบุญให้ทานอย่างวันนี้ญาติโยมแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นโยมก็เอาเงินนี้ไปซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อส ม, มณะบริโภคคือสิ่งที่จาเป็นต่อการครองชีพของพระสงฆ์คือผ้าจีวร อ, อาหารบิณฑบาต ยารักษาโรคหรือถวายเงินเพื่อค่าน้ำค่าไฟเพื่อสร้างกุติวิหารอย่างนี้ก็เป็นการทําบุญเป็นการดับความโลภให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไปเป็นการสร้างความสุขให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเป็นการกําจัดความทุกข์ความเศร้าหมองให้น้อยลงไป นี่คือวิธีสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นมาในใจของเราสร้างด้วยการทำบุญให้ทานสร้างด้วยการรักษาศีลและเป็นวิธีที่จะดับนรกหรือทําให้นรกนั้นมีน้อยลงไปน้อยลงไปตามลําดับดังนั้นเราควรมีสติคอยดูใจของเราอยู่เสมอดูว่าใจของเรา กำลังคิดไปทางสวรรค์หรือคิดไปทางนรกถ้าคิดไปในทางโลกในทางโกรธในทางหลงก็ขอให้เรารู้ว่าเรากำลังไปทางนรกกันถ้าคิดไปทางสวรรค์ก็คิดด้วยการไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคิดทำบุญให้ทานคิดรักษาศีลคิดปฏิบัติธรรมเราต้องคิด อย่างนี้ใจของเราถึงจะไปสวรรค์ได้เหมือนกับการขับรถเวลาเราขับรถเราก็ต้องดูรถว่ากําลังวิ่งไปในทางไหนกําลังวิ่งไปในทางที่ปลอดภัยหรือวิ่งไปในทางที่เป็นอันตรายเช่นเราขับชิดซ้ายหรือเราขับไปในทางขวาถ้าเราไม่มีสติเช่นคนขับรถที่คนมึนเมาแล้วไปขับรถ เขาจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ข้างซ้ายหรืออยู่ข้างขวาเวลารู้ก็สายไปเสียแล้วเช่นขับอยู่ข้างขวาแล้วมีรถวิ่งสวนมาเราก็ไม่สามารถที่จะหักกลับเข้าทางซ้ายได้ก็ต้องเกิดอุบัติเหตุชนกันขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นมาเพราะอะไรเพราะขาดสติคนที่เสพ ย, ยาเสพตยาเมานี้จะไม่มีสมติ ควบคุมดูแลใจของตนให้ควบคุมดูแลรถยนต์ที่ตนเองขับจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาพวกเราถ้าไม่มีสติที่จะคอยดูใจว่ากำลังคิดไปในทิศทางใดก็เป็นเหมือนคนขับรถมึนเมานั่นเองเราต้องพยายามสร้างสติให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆด้วยการดูจิตดูใจของเรา ดูความคิดของเราว่าเรากำลังคิดไปในทางไหนถ้าคิดไปในทางนารกก็รีบเบรกเสียรียบหักกลับามาในทางสวรรค์ถ้ากำลังวิ่งอยู่ไปในทางสวรรค์ก็พยายามประคับประคองให้วิ่งไปในทางสวรรคนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ปัญหาอยู่ที่ความโลภความโกรธความหลงนี้เท่านั้น ถ้าเรามีความโลภเราก็จะคิดไปในทางนรกพ่อจะพาให้เราไปโกรธความโลภนี่ก็เกิดจากความหลงอะไรคือความหลงความหลงก็คือความเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองเห็นกงจักเป็นดอกบัวเช่นเห็นอะไรเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นเป็นความสุขเราเห็นว่าการไปเที่ยว การซื้อของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นต่างๆนี่มีความสุขกันแต่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่ามันเป็นความทุกข์เพราะว่าเราจะต้องเสียเงินเสียทองหมดเงินหมดทองไปกับการซื้อสิ่งที่ฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะมันจะไม่มีคำว่าพอนั่นเองต่อให้มีเงินมากน้อยเพียงไรก็ตาม ถ้าซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของที่ไม่จําเป็นไม่มีเหตุไม่มีผลนี้มันจะทำให้เงินของเรานี้หมดไปได้เมื่อเงินเราไม่พอใช้เราก็จะต้องไปหาเงินแบบวิธีที่ไม่ถูกต้องไปลักขโมยไปช่อโกงก็จะทำให้เราไปทำบาปไปทำกรรมขึ้นมาแต่ถ้าเราควบคุมความโลภของเรา หรือเราแก้ความหลงของเราคือสอนใจให้เรารู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนี้เป็นโทษถ้าเรารู้เราก็พยายามหักห้ามใจของเราให้ซื้อแต่ของที่จำเป็นเช่นปัจจัยสี่ที่เราขาดแคลนจริงๆถ้าเสื้อผ้าเราขาดแคลนไม่พอใส่ก็ซื้อมาได้ อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภเป็นความจำเป็น <c oughs> ถ้าที่อยู่อาศัยเรามันเก่าหรือว่ามันไม่ปลอดภัยก็ต้องซ่อมใหม่หรือซื้อใหม่สร้างใหม่อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นความโลภถือว่าเป็นความจำเป็นแต่ถ้าบ้านยังดีอยู่แต่อยากจะได้อีกหลังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความโลภ ถ้ามีเสื้อผ้าใส่อยู่เต็มตู้แล้วแล้วยังอยากจะซื้อเสื้อใหม่ชุดใหม่มาใส่อย่างนี้เรียกว่าเป็นความโลภเป็นความฟุ่มเฟือยเราไม่ควรจะทำเพราะมันจะทำให้เงินทองเราน้อยลงไปแล้วมันจะบีบบังคับให้เราต้องทำงานมากขึ้นต้องดินลนต่อสู้เพื่อหาเงินหาทองมาใช้ เมื่อมีการดิ้นรนต่อสู้โอกาสที่จะไปทำเวรทำกรรมสร้างบาปสร้างกรรมก็จะมีมากขึ้นไปนี่คือการไปทานนรโรงไปอย่างนี้ไปเพราะความหลงก็ เ, เห็นผิดเป็นชอ่อ<ว>เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนั่นเองคือของฟุ่มเยทั้งหลายนี่เป็นเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ใช่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นสุข นอกจากสิ่งฟุ้มเฟือยแล้วก็มีอบายมุกต่างๆเช่นการเล่นการพนันการดื่มสุรายาเมาการเที่ยวกลางคืนและความเกียดคร้านนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นอันตรายเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นประโยชน์ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในใจของเราเราก็ควรที่จะพยายาม ชำระหรือกำจัดมันออกไปถ้าเราคิดอยากจะดื่มสุราเราก็ต้องฝืนต้องต่อสู้กับการดื่มสุราถ้าเราฝืนได้ไม่นานการอยากจะดื่มสุราก็จะหายไปเช่นเดียวกับการอยากไปเที่ยวกลางคืนการอยากเล่นการพนันหรือการความอยากเกลียดค้านอย่างนี้ เวลาเรามีความเกลียดค้านเราต้องแก้ด้วยการขยันรีบลุกขึ้นมาหาอะไรทำทันทีหาอะไรทำที่เป็นประโยชน์จะกวาดบ้านถูบ้านก็ได้จะซักเสื้อผ้าก็ได้จะทำอะไรก็ได้อย่าอยู่เฉยๆเพราะความเกลียดครานี้มันจะตึกเป็นนิสัยได้แล้วมันจะทำให้เราไม่สามารถเจริญก้าวหน้าในการ ในชีวิตการงานก็ดีหรือในชีวิตครอบครัวก็ดีเพราะถ้าเราเกียจคา้านเราก็จะไม่คิดทรมาหากินเมื่อไม่ทรมาหากินเราก็จะไม่มีเงินทองใช้เมื่อไม่มีเงินทองใช้เราก็จะต้องไปหาด้วยวิธีง่ายๆก็คือไปรักขโมยไปป้นไปจี้แล้วในที่สุดก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับไปเข้าคุกเข้าตารางหรือไม่เช่นนั้นก็จะต้อง ถูกลงโทษถึงกับปาหารชีวิตเพราะเกิดจากความเกียดคร้านเพราะเกิดจากการไปยุ่งกับการอบายมุขทั้งหลายไปยุ่งกับการเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลังคืนนี้เองนี่เป็นโทษไม่ใช่เป็นคุณเราต้องแก้ความหลงนี้ให้ได้ต้องพยายามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำนี้ มีเป้าหมายอยู่ที่การแก้ความหลงของพวกเหล่านี้เองพวกเหล่านี้ชอบมีความเห็นผิดเป็นชอบกันเห็นทุกว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงแท้แน่นอนเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราและเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราว่าเป็นตัวเรานี่คือความหลงที่พวกเราต้องพยายามแก้กันให้ได้ถ้าเราแก้ได้แล้ว เราจะชนะเราจะไม่มีความโลภแล้วเมื่อเราไม่มีความโลภเราก็จะไม่มีความโกรธเมื่อเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงเราก็จะไม่มีความเศร้าหมองเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายไปตลอดนี่คือใจของผู้ที่ได้ชำระกิเลสคือความโลภความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจแล้ว เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าใจของพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นี้ก็มีสองชนิดด้วยกันคือพระอาหารหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันตัสสาวกพระอาหารหันตตัสสาวกก็คือผู้ที่สามารถชำระใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองไม่มีอาจารย์มาสอนเช่นพระพุทธเจ้าของเรา ที่ทรงปฏิบัติชำระความโลภความโกรธความหลงพระองค์ของพระองค์ด้วยตนเองเพราะไม่มีใครรู้วิธีที่จะชำระความโลภความโกรธความหลงนั่นเองทรงศึกษากับอาจารย์ต่างๆมามากมายแต่ก็ไม่มีอาจารย์รูปใดที่สามารถสอนให้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปได้พระองค์จึงต้องศึกษาด้วยตนเอง ทดลองด้วยตนเองผิดบ้างถูกบ้างจนในที่สุดก็สามารถชำระใจของพระ อ, องค์ให้สะอาดบริสุทธิ์กลายเป็นพระอาหารหันตะธัมมาสัมพุทธเจ้าให้พวกเราได้กราบไหว้บูชานี่คือเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งองค์แรกองค์ที่สำคัญพอมีพระอาหารหันต์องค์แรกแล้วพระท่านก็เอามาสั่งสอนผู้อื่น ผู้อื่นพอได้ยินได้ฟังนำเอาไปปฏิบัติก็กลายเป็นพระอาหารหันตาตถาวึ้นมาคำว่าสาวกก็คือแปลว่าผู้ฟังหรือผู้ศึกษานั่นเองพระอาหารหันต์าวชนี้จะต้องมีพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะมีพระอาหารหันต์าวชเกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระธรรมคำสอน จะไม่มีพระอาหารหันตสาวกหรือพระสงสาวกแต่พอมีพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีพระธรรมคําสอนแล้วก็จะมีพระอาหารหันตสาวกตามมากลายเป็นพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งให้แจกสัตว์โลกอย่างที่พวกเรากําลังพึ่งกันอยู่เพราะอํานาจของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองพวกเราก็มีสิท ที่จะเป็นพระอาหารหันตสาวกได้ถ้าเราน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเตือนใจมาสอนใจและปฏิบัติตามไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งใจของพวกเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์เช่นเดียวกับใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายจึงขอฝาก เรื่องของการมาดูแลรักษาใจด้วยการชำระความโลภความโกรธความหลงนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิต์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัย